ชีวิตต่างๆในร่างกายหรือเซลล์ต่างๆในร่างกายนี่ก็ถ้าไม่ได้รับลมหายใจเข้าอีกครั้งหนึง่งก็จะอยู่ไม่ได้เห็นได้ว่าชีวิตของมนุษย์เราของสัตว์อะไรต่างๆจะเป็นอยู่ในแค่ช่วงลมหายใจที่เข้าออกเท่านั้นแหละแต่พอมีความสันตติ คือความสืบต่อสันติความสืบต่อเราไม่ใจเข้าเราไม่ใจออกและเราไม่ใจเข้าเข้าเราไม่ใจเข้าออกสืบต่อกันไปอย่างนี้ก็สืบต่ออย่างนี้เซลล์ร่างกายต่างๆแะก็มีอาหารหรือว่าทํางานได้ตามปกติเพราะเกิดกระบวนการ ของการทำงานจากลมหายใจที่เข้าไปาเกิดระบบร่างกายก็ทำงานขึ้นมาร่างกายนี้ก็สืบต่อกันไปก็อยู่ได้ในความสัน ต, ตินี้เนี่ยความสืบต่อนี่ดบังความเป็นอันติจังไว้คืออนันติจัตตาความไม่เที่ยง เมื่อมีการสืบต่ออยู่เรื่อยๆ เ, เราก็ไม่เห็นความไม่เที่ยงนะเรามองไม่เห็นเนะี่ยแจะเห็นอีกทีหนึ่งก็เมื่อไม่มีลมหายใจแล้วทั้งเห็นว่าโอ้ร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนะมันตายวาทีิจาวัฏสงขารานะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเนี่ยเราจะไปเห็นอีกครั้งหนึ่งก็ตอนนี้แตกสลายลงไปแล้ว แต่ความจริงแล้วความไม่เที่ยงมันก็ติดตามเรามาตั้งแต่เราเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเซลล์ทั้งหลายมันก็เกิดแก่เจ็บตายไปต้องอาศัยลมหายใจอาศัยข้าวอาศัยน้ําอาศัยความร้อนอุตุคือความร้อนอย่งนี้ที่รักษาทําทให้ร่างกายนี้ประคับประคองอยู่ได้ แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนะร่างกายนี่มันก็อยู่ไม่ได้เมเรามาตั้งสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอย่างนี้จนจิตของเราตั้งมัน่นเมื่อมีรสติรู้ว่าความเกิดดับเป็นอารมณ์คืออารมณ์ที่จะให้เกิดสติเกิดปัญญาเนี่ย พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าคืออันทีจังทุกขังและ อ, อนัตตาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัว ต, วตวนนี่เป็นอารมณ์ที่ให้เกิดปัญญาเมื่อเราเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกมีแต่ความเกิดดับคือไม่เที่ยงเราก็จะมีความรู้หรือปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาว่าอารมณ์นี้เนี่ยมันไม่เที่ยงเลยนะ เนความรู้สึกคือปัญญาเกิดขึ้นมามันไม่เทียงหาตัวหาตนไม่ได้หาสัตว์หาบุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้ เ, เราจะรู้สึกอย่างนี้เมื่อรู้สึกอย่างนี้แล้วจิตใจเราก็จะได้ละอุปท า, านออกไปได้บ้างนะละอุปท า, านไปได้ทีละส่วนทีละส่วนนั่นแหละเมื่อเราละอุปท า, านอย่างนี้ไปได้มากขึ้นวันหนึ่งเราจะรู้ชัดขึ้นมา ถึงรูปนามนีว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงจริงๆคือเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะมาเห็นนะชัดแจ้งขึ้นไปไม่สงสัยความรู้ที่ไม่สงสัยนะเป็นความรู้ที่สำคัญทำให้ความศรัทธาของเราที่มีในพระพุทธศาสนามั่นคงถาวรพอเรามาได้เห็นแก่นของธรรม ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนโดยเบื้องต้นพระชินวร์ก็สอนให้เราได้รู้จักสร้างความดีสิ่งใดที่ทำแล้วเดือดร้อนใจภายหลังเราก็ไม่ทำเราก็ต้องพยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ยเมื่อเราละบาป บำเพ็ญบุญได้นะเริ่มต้นก็คือละบาปบําเพ็ญบุญแช่นการเข้ามาอปสมบทก็ดีเข้ามาปฏิบัติภาวนานั่งสมาธิสักเพียงครึ่งชั่วโมงก็ดีนั่นก็เป็นเรื่องของบุญเรื่องของกุศลเมื่อเราพยายามฝึกหัดอย่างนี้แหละซึ่งในเบื้องต้นมันก็ยากลําบากนะกว่าจะรวบรวมสติ ของเราให้มันมาตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวนี้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอาจจะสงบเพียงสิบนาทีแต่เมื่อเริ่มต้นภาวนาอย่างนี้นะไม่ไปคิดนึกไปในเรื่องของอดีตอนาคตตั้งสติอยู่ในปัจจุบันรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเป็นอารมณ์ ของสติที่จะระลึกพ ร, ร้อมกำกำกับภ า, าวนาไว้ให้ใจเข้านึกภาวนาในใจว่าพุทธให้ใจออกนึกภาวนาว่าโทนี้เมื่อเรานึกภาวนาอย่างนี้แล้วพยายามดึงสติกลับมาจิตจะนึกคิดไปถึงอารมณ์ข้างนอกก็ดึงกลับมาตรงนี้ตรงลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกพร้อมคาบริกรมรมภาวนา เมื่อจิตสงบเข้ามาบางครั้งเราจะรู้สึกว่ามือมือข้างหนึ่งก็หายไปแล้วหรือหายไปทั้งสองข้างเท้าก็หายไปไม่มีความรู้สึกแล้วหายไปครึ่งตัวนี่ก็ไม่รู้สึกแล้วแต่ยังรู้สึกอยู่ในตั้งแต่กลางตัวขึ้นไปถึงศีรษะต่อมามันก็เบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้ น, นหรือเบาไปทั้งหมดเลยเบาไปทั้งกาย เรานั่งอยู่นี่ก็รู้สึกว่ากายมันเบาไม่มีน้ําหนักเมื่อเรากําหนดสติให้ต่อเนื่องไปรู้สึกว่ากายของเราที่นั่งอยู่นะไม่มีน้ําหนักมันจะลอยขึ้นมาได้เหมือนเรานั่งอยู่ในกลางอากาศตรงนี้นะะึกว่าจิตของเราก็มีความสงบได้ระดับหนึ่งแนละ้ว เราเไม่เคยไม่ต้องไปรู้สมมุติว่าเป็นอะไรหรือว่าตอนนี้จิตสงบได้ระดับนี้รู้สึกสบายปลอดโปร่งโล่งอารมณ์อารมณ์ที่เราเคยกัดกรุบต่างๆมาก็ไม่มีความโกรธความพยาบาทไม่มีความง่วงเหงาห้านอนก็ไม่มีความฟุ้งซ่านก็ไม่มีความรังเลสงสัยก็ไม่มีก็คือจิตของเรามันเข้าสู่ความสงบ เข้าสู่ความสงบถ้าเรารอบรู้อารมณ์อะไรมามากมายแล้วนี่มันเป็นเรื่องของตัวตนท้งนั้นน่ะมาตาเห็นโลกมันก็เป็นเรื่องตัวตนเกิดขึ้นมากับใจซึ่งเกิดเร็วมากมอตาเราเห็นโลกใจเรามีวิชามันก็เกิดความยึดถือหรือว่าเรียกว่าอุ ป, ปาทานมันเกิดตัณหาเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดความชอบความชังนะขึ้นมา เกิดตันหาความยินดียินร้ายความพอใจไม่พอใจนะเป็นเมตนาเป็นตันหายากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรืออยากเพลิดเพลินในสิ่งที่เราชอบไปอีกก็คือมันอยู่ในอารมณ์มันเดียวนี่แหละเกิดรุปทานความยึดมั่นถือมั่นฉนิดทียว่า ม, วมีตัวมีตนเกิดขึ้นเลยนะอันนี้เวลาภัสสะ เกิดขึ้นแล้วนี่มันไวมากนงวชัยยังยกตัวอย่างเมื่อตกจากต้นไม้ลงมาแล้วผ่านกิ่งผ่านก้านลงมามากมายแต่ว่าเรานับไม่ทันก็ลงมาถึงพื้นแล้วเสียงดังตบแล้วเกิดทุกขเวทนานะความทุกขความโศกเกิดขึ้นแล้วอ้นตาให้โลภนะเกิดกระบวนการรวดเร็วมากของกระบวนการอวิชชาเนี่ยจนเกิดอุปท า, านก็ทุกเกิด เมื่อเรารับรู้ในอารมณ์มากๆนะตาเห็นโลกหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นล้นสะมผัสลดกายู ต, ต้องผัพพารู้ธรรมลมด้วยใจเรารับรู้อารมณ์มากและเราไม่มีสติไม่มีปัญญาก็จะมีแต่อุปาทานที่ยึดมั่นถือมั่นมาตัวเราหรือของของเราเมื่อมีความยึดมั่นมาตัวเราหรือของของเรานะ ความทุกข์ก็เกิดขึ้นนะสังโยชน์ความร้อยลัดจิตใจของเรามืนกับร้อยลัดใจของเราถ้าร้อยลัทธจิตใจมากๆก็ไม่มีทางออกก็เกิดอันตรายขึ้นมาเนี่ยนะจะทําร้ายตัวเองก็ได้ทําร้ายคนอื่นก็ได้ทำกับสังโยชน์ร้อยลัดจิตใจของเรามากขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ทรงทราบละ่ะ เพราะสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์กันทุกวันเนี่เพราะความเห็นผิดหรืออวิชชาหรือความไม่รู้เนี่ยนะเป็นพ่อเป็นแม่ที่กอ่อให้เกิดเมตนาตันหาอุปท า, านเกิดทุกข์ขึ้นมาเรียกว่าเป็นทุกขอริยสัจที่เกิดขึ้นที่มีขึ้นไม่เว้นว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงคนร่ำคนรวยคนอนาถาต่างๆ คนมียศถาบรรดาศักดิ์ในโลกที่เกิดขึ้นมานี่เมื่อยังมีควาว่าเราควาว่าของเรามีตัวตนของเราของเขาก็เป็นทุกข์เหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันไม่ต่างกันนะมีความทุกข์เหมือนกันเพราะมีอุปทานมีตัวเราแล้วก็มีทุกข์เกิดขึ้นเป็นทุกข์อริยสั์นี่เมื่อเรามาภาวนาเราต้องพยายามตั้งสติแล ไม่มีความสงบต้องสำรวมแล้วก็ระวังให้ดีไว้นะตาของเราเห็นโรคเราต้องระวังไว้หูฟังเสียงต้องระวังไว้จมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสลดกลายตูกต้องพอตัมพารู้ธรรมปรมด้วยใจต้องระวังไว้นั่นระวังไว้อย่าปล่อยสติไปถต่ปล่อยสติแล้วไม่มีสติ นะความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นทับถมจิตใจของเราอยู่เสมอเรื่อยไปในะความมืดมิดของใจมันมืดมิดมากขึ้นแล้วก็หาทางออกไม่ได้แต่เมื่อเราเนี่มาปฏิบัตินะํามาสร้างความดีตามความสอนของพระพุทธเจ้าที่เว่า บ, บาปบาเพ็ญบุญทำจิตใจให้ผ่องใสโดยการทำสมาธิภาวนาเนี่ยแหละก็คือการที่เราจะ บำเพ็ญบุญกุศลทาใจให้ผ่องใสจากนิวรณ์ก่อนเป็นเบื้องต้นผ่องใสโดยสมาธิก่อนนั่งไปแล้วก็กายเบาจิตเบาปลอดโปร่งแล้วนะกายเบาจิตเบาปลอดโปร่งจากการมณทั้งหลายนิวรณ์ที่เคยมาครอบคุมใจไว้มันก็ถอยห่างไปก่อนแต่ว่า ยังประมาทไม่ได้นะต้องมาพิจารณาให้เป็นวิปัสนามีอารมณ์อันิจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์นี่ยเนี่ยอย่าโนม้ม ใ, ใ, ใ, yeah. ใ, ใ, ให้ใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ให้ใจออกกระดับไปให้ใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่นิดหนึง่งให้ใจออกกระดับไปเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่นิดหนึง่งแล้วก็ดับไป มาเห็นอย่างนี้บ่อยๆเกิดความรู้กันมาโอ้ชีวิตของคนเราอยู่ได้เพียงลมงหายใจเข้าออกนี้เท่านั้นนะไอสิ่งที่ว่าเราของของเราก็เพียงลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปแค่นี้หายใจเข้าไปแล้วตั้งอยู่นึกออกมาแล้วหมดแล้วถ้าหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกมาทุกอย่างที่ว่าเป็นเรามันก็ แตกสลายไปทันทีเป็นเข้าก็แตกสลายไปทันทีเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้ามันก็ไม่มีเราเกิดความยึดถืออย่างนี้แลถึงเอาวิชาเทียบยึดถือแล้วเป็นเหตุให้ทุกข์แต่ถ้าเรารู้อย่างนี้ก็เป็นปัญญาที่จะแก้ไขความทุกข์ได้อันนี้ถ้าเกิดว่าสติปัญญาของเราไม่พออารมณ์มันมากเกินไป เราอยู่ต้องมาหาที่สงบสงัดเรียกว่าเป็นกายยกวิเวกความสงบกายซะก่อนบางทีเราจากบ้านมามาที่วัดนะเดินทางมาแล้วก็รู้สึกสบายปลอดโปร่งแล้วพอเข้ามาในวัดก็เย็นใจละเพราะอะไรเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ของบุญเป็นอารมณ์ของบุญที่เราได้ทาที่เราเคยสบายใจเคยสุขใจ เมเริ่มจะเดินทางมาวัดเราก็สบายก็สุขใจเมื่อเราอยู่บ้านเข้าห้องพระมีห้องพระไว้เมื่อเราเข้าสู่ห้องพระก็รู้สึกประสขใจอิ่มใจสบายใจเปลี่ยนอารมณ์ละเปลี่ยนอารมณ์ที่เรารับรู้มาทั้งวันที่มันวุ่นวายเราก็ต้องตั้งสติว่าถ้าเราเข้าห้องพระแล้วเราจะวางอารมณ์ทั้งร้ายทั้งวันที่มันวุ่นวายไปก่อน มาทําใจของเราให้สงบเป็นพระพระมาจากวละแปลว่าประเสริฐทําใจของเราให้ประเสริฐขึ้นมาทักหนึ่งขีดโมงครึ่งขีวโมงเนี่ยจะได้มีกําลังของสติปัญญาที่จะไปต่อสู้กับอารมณ์ในโลกเมื่อเราเข้าห้องพระสวดมนต์บำเพ็ญภาวนาปฏิบัติเป็นกิจวัตรนิสัยเป็นประจำนะจิตนี้เมื่อฝึกยังไงก็เป็นอย่างนั้นมาถึงเวลา ในช่วงเย็นๆค่ำๆมันจะรู้สึกว่าอยากจะมันจะสงบแล้วนะเหมือนกับเตือนเราแล้วเหมือนกับร่างกายของเรานี่แหละเวลามันมีไปธนาต้องการอาหารมันก็มีระบบที่เตือนจิตของเราเมื่อจะสงบต้องการความสงบมันกระเตือนแล้วมันจะสงบมันจะเข้าสู่ความสงบนะต้องไปสวดมนต์นั่งสมาธิจิตมันกันร่วมสงบก็มานะ เบากายเบาใจมีความเย็นกายเย็นใจเกิดขึ้นสบายบางทีมีปัญหาอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้ไม่ตกมันก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นตรงนั้นแล้วก็จะพิจารณาจิตก็จะพิจารณาอารมณ์ที่มันข้างค้างอยู่นั่นแหละเมื่อพิจารณาแล้วมันก็วางอารมณ์ได้ไม่ติดขัดข้องในอารมณ์ที่เป็นอดีตละ รูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นลดพุธภาพธรมรมมในอดีตเราวางไวะนะ้ลตอนนี้เรารู้มันก็เป็นเพียงสัญญาถ้าเรายึดถือสัญญาอารมณ์มันก็เป็นของหลอกลวงนาะสัญญาเนี่เป็นของหลอกลวงนะถ้าเปรียบเทียบสัญญานี่ยเหมือนกัพบดดนะพยับแดดนะพยับแดดเนี่ยเราวิ่งไปในถนนเห็นพยับแดดนะมันก็เป็นน้ำาอยู่ก็ไม่มีจริง แล้วอยู่ในทะเลทรายเนี่ยมันก็มองไปเหมือนเห็นเป็นน้ําน้ํานี่มันมากมายวิ่งไปจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นของหลอกหลวงเหมือนกันน ะ, นะเป็นของหลอกหลวงมันจะเกิดขึ้นมาสัญญาอารมณ์นี้ก็เหมือนกันเลยบางทีเนี่ยอารมณ์มันผ่านไปนานแล้วความรักอันนี้ความชังก็ดีความโกรธความเกลียด ถ้าเราละเลิกขึ้นไปอีกมันก็จะเกิดขึ้นมาในปัจจุบันนี่นะก็เรียกว่าเป็นธรรมะอารมณ์ธรรมา ร, รมณ์เกิดขึ้นเมื่อตายเหตรูหูฟังเสียงเจ้าบอกได้กลิ่นเนสัมผัสรูกายถูกต้องผลธรรมพะรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจเราไม่ได้รับรู้อะไรในปัจจุบันนี้แต่เรามีธรรมารมณ์มาเกิดขึ้นที่มันฝังอยู่กับใจเราอยู่มีอยู่ในใจของเราทุกคนเนี่ยนะเกิดขึ้นมาแล้ว ถ้าสติปัญญาของเราไม่พอมก็จะยึดถือขึ้นมาอีกนะยึดถือขึ้นในปัจจุบันได้นี่เราจะทํำยังไงเราก็ต้องพยายามตั้งสติพิจารณาสิ่งที่บางไว้ไม่เราเห็นความไม่เที่ยงก็คือความสืบต่อนี่แหละนะนะเราต้องสืบต่อด้วยอาหารด้วยน้ำํำโดยเฉพาะลมหายใจเนี่ยมันสืบต่อใจเข้าให้ใจออก เมื่อหใจเข้าเอาไปยับยั้ในร่างกายแล้วก็มีระบบที่ทํางานต้องการออกซิเจนออกซิเจนต้องไปจากปอดนะต้องการออกซิเจนไปฟอกเลือดนะให้ฟอกเลือดที่เสียให้กลายไปเลือดดีอยนะากเลือดดาที่เสียแล้วแล้วก็กลายไปเลือดแดงนะเมื่อเลือดแดงนี่ก็วิ่งไปเข้าสู่หัวใจ วัใจก็อาศัยเลือดนี้หล่อเลี้ยงระบบเซลล์ต่างๆแล้วก็ทํางานบีบตัวขึ้นไปเลี้ยงในระบบร่างกายทั้งหมดในอวัยวะน้อยใหญ่เซลล์ต่างๆก็ต้องอาศัยนะเลือดนี้ไปหล่อเลี้ยงนะนี่เลือดแดงที่ไปหล่อเลี้ยงได้เนี่ยก็ต้องอาศัยออกซิเจนเนี่ยออกซิเจนที่จะฟอกเห็นไหมขาดเพียงออกซิเจนเพียงไม่นานนะ ทุกอย่างในโลกนี้ที่ว่าเป็นเราไม่มีแล้วเราจะมีบ้านช่องไร้หลังวัตถุต่างๆมากมายทรัพย์สินเงินทองมากมายนะเราก็จะเอาเอะไรไปไม่ได้ถึงเวลานั้นชีวิตมันไม่แน่นอนความตายเปนของแน่นอนนั่นเองการที่เราบริกรรมภาวนาชีวิตไม่แน่นอนความตายเปนของแน่นอนก็จะสัญญาจะจําได้ว่ามันไม่เที่ยงนะอันนี้ยังเป็นสมถะกรรมฐานอยู่ อาตมาภาวนาทีแรกก็เข้าใจว่าเป็นวิปัสสนากรรมฐานนะกระทั่งตําราก็บอกว่าเป็นวิปัสสนาเป็นสมถะแต่เวลาภาวนารู้สึกมันปล่อยวางอารมณ์ได้ว่าชีวิตมัแน่นอนนะความตายเป็นของแน่นอนเมื่อความตายเป็นของแน่นอนแล้วเราต้องตายแล้วก็จะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรนะก็ยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้ว่าเป็นตัวเราของเรามันคล้ายๆที่จะเป็นปัญญา แต่ยังเป็นสัญญาอยู่แต่การที่เราบริกรรมภาวนาพุทโธ ร, รู้ลมหายใจหรือความตายที่เราบริกรรมอยู่จิตง่งบรวมลงมานี่ก็เป็นสมถาก่อนแล้วจะเป็นวิปัสสนาต ร, ตรงไห น, นในขณะที่เป็นวิปสมถาก ร, รมาา น, นี่เนี่นิ่งๆนะเกิดความรู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ความรู้นี้ไม่ใช่ความคิดไม่ใช่คิดนึกปรุงแต่งอะไรเลยรู้ขึ้นมาพิรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนเนกะิดความรู้ขึ้นมาแล้วก็มาได้คิดเนี่ยมันรู้อยู่ในอย่างซึ้งๆขึ้นมานรียกว่าเกิดปัญญาจิตก็จะปล่อยวางในอารมณ์ได้นะจะเข้าใจเราไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขาณนะตรงนี้เราปัญญาเกิดเราต้องมา ภาวนาให้จิตของเราสงบและเกิดปัญญาถึงระดับนี้ใจจะปลอดโปร่งแล้วอุปท า, านที่เรายึดมั่นถือมั่นจะถูกทำลายลงไปทีละน้อยละน้อยคราวนี้สิ่งที่สาคัญปัญญาจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยสมาธินะสมาธิที่เราได้อบรมแล้วมีอนิสงส์ปัญญาจะเกิดปัญญาที่เกิดแล้วนะก็จะเกิดญาณ เกิดวิมุตต์ความหลุดพ้นได้จากความเห็นผิดนี่สมาธิจะตั้งมั่นพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราต้องเริ่มต้นให้มีสิ่เริ่มต้นให้มีสิ่์เกิดสรวมกายสรวมวาจาของเราให้มีสิ่์แม้จะยากแม้จะลำบากอย่างไรก็ตามก็ต้องให้มีสิ่์ นะรักษาศีลไว้ไกาวาจาไว้ก่อนจะทุกข์จะยากก็ดูว่ามันไม่ได้เหตุยดคนอื่นทําให้เราทุกข์นะเออความทุกขน์นี้สมบัติจิตของเราเนี่ยไม่มีกิเลสใครจะทําให้เราทุกข์ได้บ้างไม่มีอารมณ์ทั้งหลายจะทําให้เราทุกข์ไม่ได้แต่ว่าเป็นคนนั้นคนนี้ทําให้เราทุกข์ก็ไม่ได้ถ้าใจของเราไม่มีกิเลสแต่ถ้าใจของเรายัางมีกิเลสมีโอปปทานเนี่ยนะ ก็เกิความทุกข์ก็เกิดขึ้นนี่เราก็ ม, มองตัวเราใจเรามีอุปทานในเรื่องนี้ไหมเออที่คนเราเกิดขึ้นมาเราก็มีตัวเรามีของเรามีอุปทานเนี่พยพระพุทธเจ้าจึงสอนแล้วเบื้องเบื้องต้นให้ใหมีทานนั่นบนรารมีซะก่อนเราได้วัตถุสิ่งของมาแล้วเราก็จะมีแต่ความยึดถือแล้วก็บริโภคเองใช้สอยเองไม่ได้ทำบุญทําทานก็เกิดอุปาทานมากมายขึ้นมา แล้วในสุดก็ตายไปเปล่าเอาอะไรไปไม่ได้เพราะสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงอย่างสราหลังนี้ก็ไม่เที่ยงเล น, ม, นมันกําลังเสือเส่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปนะถ้าเรามีญาณเราจะมองเห็นแล้วมันกำลังเสื่อมถ้าเรามองเห็นว่ากําลังเสื่อมเราก็จะปล่อยวางอุปทานแต่ที่เรายังไม่เห็นเนี่ยเพายาญยังไม่เกิดสมาธิยังไม่ตั้งมัน่นปัญญา พวกเราจึงยังไม่เกิดเมื่อเรามาตั้งใจปฏิบัติภาวนาสำรวมระวังในศีลเนี่เริ่มต้นอันนี้สําคัญนะเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสกรรมวิบากทั้งหลายเราก็ทํามานะมีกิเลสก็ทํากรรมมีกรรมกับมีวิบากของกรรมเรายัางไม่ได้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเป็นชาวพุทธก็เป็นชาวพุทธอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้เลื่อมใสพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลย แต่เมื่อเรามาตั้งใจแล้วมาปฏิบัติแล้วนะมีสต์เริ่มต้นบัจรมามีสินแล้วเนี่ยมีสินห้าสินแปดสินสองรอยี่สิบเจ็ดก็ดีก็สินสํารวมกายวาจาวไว้เนี่ยคราวนี้นะกิเลสจะมาแล้วนะเออที่มันมันเป็นมานเขับกีิเลสสมานมาแล้วเออมาแล้วปกติอยู่สบายๆถ้าฟังธรรมอะไรนะปวดเมื่อยขึ้นมาเลยนั่งไปได้ ไม่อยากนั่งล้เจ็บปวดขึ้นมาในร่างกายก็มีแล้วเจ็บปวดจิตใจขึ้นมาก็มีนะเพราะว่าไม่อยากจะฟังธรรมแล้วเพราะธรรมะเนี่ยมันก็เหมือนอยามันยาที่จะรักษาโรคแต่ว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่มันเป็นของที่จะให้โลกมันเกิดแล้วนะร่างกายมันต้องการหรือกิเลสมันต้องการอย่างกัน มันเป็นลักษณะอย่างงั้นไม่ต้องการยายานี่มันนะเป็นของที่ไม่ต้องการเลยเหมือนกับธรรมะอย่างเงธรรมะโอสถอย่างงี้เออจะฟังธรรมะคนที่ยังมีกิเลสอยู่นี่ไม่อยากจะฟังเลยเพราะมันธรรมะนี่ยขัดอกขัดใจเรามากท่านสอนว่าใ น, นก่อนอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นก็มีครยึดมัน่นถือมัน่นเออต้องพยายามไปวางพยายามเสียสละพยายามแห่ภพยต่างๆ นะเียกว่าธรรมะธรรมะแม้ว่าออกจากทักเทศที่ท่านยังมีกิเลสอยู่ก็ตามนั่นแหละแต่ก็เรียกว่าอันนั้นเป็นธรรมะถ้าพูดธรรมะแล้วก็น่าฟังน่าพิจารณาได้อืมน่าฟังน่ามาพิจารณาได้แต่ว่าบางครั้งนะหรือว่าส่วนใหญ่ที่ผู้ฟังก็ประสงค์อยากจะฟังธรรมนะพอฟังธรรมแล้วโอ้มันร้อนน่ะ อะไรก็เรื่องของ อ, อนิจจังทุกขังอนัตตาองค์นี้ก็มาพูดอีกสิบองค์ประเทศเรื่องกันเก่าๆอย่างงี้นะอืกิเลสก็ไม่ชอบนะ่ะเออล้วก็ลองอดทนดูออานั่งไปเนี่ยท่านก็ยังเทศได้เราก็นั่งฟังได้พิจารณาไปดูจิตดูใจของเราไปเนี่ยนะแต่เราฟังทำจาะการฟังทําทให้ดีนี่จะเกิดปัญญาเนะียเกิดปัญญาถ้าเรามีความเห็นที่ผิดอย่างนั้น มันก็เรียกว่าจิตใจของเรามันย้อนยุกไปยุกเดนอสเร์น่นะเด น, นสเร์มันยังไมออ่รับรู้เรื่องอะไรเลยนะมันเป็นล้านปีล้านล้า น, านปีแล้วนะนะนะจิตใจมันยังไม่เข้าใจในธรรมะถ้าเรามีจิตใจอย่างนั้นมันต้องย้อนยุกมันจะไปเกิดยุกเดนอสเร์ได้เออถ้าถ้าจิตของเรามีศรัทธาฟังธรรมดีเบิกบานเกิดมาเป็นมนุษย์พราะครรุศาสนาเกิดเป็นเทวดาก ไอนน้เมื่อคนเรามาตั้งใจปฏิบัติเนี่ยมันจะมีอุปสรรคมากมายหลายอย่างทีเดียวมาขัดขวางนามทีเป็นนิมิตปรากฏขึ้นขัดขวางแล้วกราบพระพุทธเจ้าก็กราบแล้วทุกข์ใจแต่ถ้ า, ากลัวกลั ว, ลวบาปตอนนี้กลัวบาปอะไรก็เป็นบาปไปหมดก็กลัวยิ่งกลัวบาปมากขึ้นก็พยายามทำใจให้เราศัทธาแต่ว่าปไปบีบพังคับเกินไป กิเมันเล่าร้อนมันก็ไม่อยากให้กล่าวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่อยากให้มาวัดเพราะมันเล่าร้อนแล้วหน่อยไม่อยากมาเนี่ยแต่ถ้าเราอดทนม่บา ก, กรรมอั น, นี้ไปได้ผ่านไปได้มันจะโล่งไปละคือทำจิตให้พอดีพอดีอย่าไปบีบบังคับจิตของเรานะมากเกินไปเมื่อเราทำพอดีพอดีอย่างนี้ปอดโป่งอย่างนี้แล้วคือทำไม่ได้ความปล่อยวางด้วยนะอย่าไปฝืนมากเกินไป ทำทานก็เป็นของดีแต่จะไปฝืนมากเกินไปเมตตาตัวเองด้วยะรู้จักพอประมาณในการทําบุญรักษาศีลก็ตามกําลังถ้าเรามีกําลังศีล5้าก็รักษาศีลหก่อนออหรือว่าศีล8เป็นบางครั้งตามกําลังของเราธรรมากพยายามปฏิบัติสมาธิรวบรวมกําลังสติปัญญาของเราให้สงบให้ได้พิจารณาแล้วจะได้ปล่อยวางในอารมณ์ทั้งหลาย เพราะอะไรที่เราต้องมาปฏิบัติอย่างนี้เพราะชีวิตสังขารเนี่ไม่แน่ไม่เที่ยงนะเออบางครั้งเรามีเพื่อนมีสามีภรรยามีลูกแล้วว่าเราแข็งแรงดีนัต่อมาเราเจ็บป่วยมากกว่าคนอื่นก็ได้ไปโรคลายแรงเจ็บป่วยมากกว่าคนอื่นก็ได้เดี๋ยวคนนั้นเขาเจ็บป่วยแล้วเราคิดว่าเออเรานี่เจ็บป่วยมานานคนนู้นยังเจ็บป่วยมากกว่าเราเลยเราประมาทเกินไปชีวิตเราจะตายเมื่อไหร่ล่ะเราจะรู้ไหม เราก็ไม่รู้นะยังตะมาในปีนี้เข้ามาก็อายุห้าสิบสี่ปีนะก็มันชีวิตหลังย้อนกลับไปมันก็ไหวมากนะห้าสิบสี่ปีทํามันแพ็ปเดียวเออแต่นะว่าปีปีหนึ่งมันนานย้อนกลับไปห้าสิบสี่ปีเนี่ยมันผ่านมาแล้วมันไม่นานเลยนะห้าสิบห้าปกติเขาก็ปลดกเกษียณกันแล้วหกสิบก็ปลดกเกษียณกันแล้วเนะนะมันก็ไหวมากแล้วชีวิตนี้่แล้วจะเหลือข้างหน้า อีกกี่ปีนะใครจะรู้บ้างชีวิตเนี่ยมันไม่แน่นอนเนี่ยความตายมันของแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสเวลาต้องพยายามด้วยหาโอกาสเวลาด้วยนะทำบุญทำทานให้เป็นปกตินักษาศีลให้เป็นปกติปฏิบัติภาวนานให้เป็นปกติต น, นะนนะทำให้มากทีเดียวนะทำให้มากกิเลนให้มาก เราทำบุญกุศลเอาไว้นะเมื่อเราทำอย่างนี้ไปแล้วนะเจตใจของเราก็เลยมีธรรมะเจตใจมีธรรมะก็จะมีความเยือกเย็ยนใจนะสบายใจเป็นสุขใจนี่อันนี้สำคัญใั้พวกเรานำธรรมะองค์สมเด็จพระสัสดาสมารับพเจ้าไปพิจารณาเห็นว่าพอสมควรน ะ, จะเจริญพรเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด